ประตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่สี่สิบสองเสละสูตรสูตรว่าด้วยเสละพรามพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปนในแคว้นอังคุตราปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จแวะประทับณนะนิคมชื่ออ ป, ปานะแห่งแคว้นนั้นเกียนิยาชดินคือนักบวชกล้าวผมเป็นเชิงชื่อเกนิยะ